มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละแปดได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จากขูดสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สะหระคตด้วยสุขก็มีที่สะหระคตด้วยทุกข์ก็มีสัญญาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสัญญาขันหมวดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้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 สัญญาขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีสัญญาขันที่สะหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสัญญาขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี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 แ, แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปะยุตธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยอัทุคมัด ส, สุขเวทนาก็มีสัญญาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ติกะมูลกวาล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 ที่วิปยุตจากสังโยชนและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอาศเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาศเสกบุคคลก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้แปสบสสัญญาขันหมวดละหนึ่ง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 สัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นช mm ั hmm. <ifs> ้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประนีตก็มีสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ 8.5 สัญญาขันหมวดละ1่ได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มี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 สัญญาขันโมทละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตได้ผัสสะสัญญาขันหมวทละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิทยุตจากโยคะก็มีสัญญาขันหมวทละสได้แก่สัญญาขันที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันหมวทละสิบ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 ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขาันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้อุปโภโอวัตถกวาลจบพหุวิทถวานสัญญาขาันหมวดละเจ็ดได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มี ที่เป็นนพยากฤตก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีสัญญาขันหมวทละเจ็มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวทละเจ็อีกหมวดหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มี